เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วเพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมานายทกรคนชอบเล่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาครับเป็นวันพระเป็นวันเดีเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนางดเข้าป่าหาผีกันสักหนึ่งวันครับโอกาสดีๆอย่างนี้ เราก็จะมาตามรอยท่านหลวงพ่อกลวยจุตินทโรแห่งวัดโกศิตตารามจากบันทึกของคนขลังคลังวิชาของคุณไตรพนากสมบูรณ์กันต่อครับและก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้ปลูกเสกรวมถึงคาถาต่างๆเราก็จะมาทําความรู้จักกับอุปนิสัยและปฏิปทาของท่านกันก่อนครับหากกล่าวถึงอุปนิสัยส่วนตัวและปฏิปทาของหลวงพ่อพวกคนภายนอกที่เขาไม่รู้จักท่านดีก็มักจะคิดว่าท่านดุเข้าพบยากไม่ค่อยรับแขกหมาก็ดุ แถมไม่ดูหมาให้ด้วยบางคนมาเพื่อพบท่านแต่โดนหมาไล่กัดไม่ได้พบท่านก็ไปลือกันว่าหมาท่านดุคนก็ถึงไม่ค่อยอยากมาพบท่านเพราะเหตุนี้ด้วยการที่ทำเช่นนี้ท่านมีเหตุผลเพราะเวลาของท่านมีค่าท่านนั่งทำของเสก ข, ของบางคราวนั่งจางตะกรุดบ้างเขียนพยันบ้างเสกพระเครื่องบ้างการทำวิชาเหล่านี้ใครจะมารบกวนไม่ได้บางอย่างหากหยุดครั้งคันก็ถือว่าเสียใช้ไม่ได้เลย บางคราวท่านทำของอยู่คนมาเรียกก็ต้องหยุดพอมาเสกใหม่สักพักมีคนมาเรียกอีกเพราะหากท่านไม่ทําเช่นนี้ใครก็มากวนท่านเรื่อยบางคราวเรื่องไม่สมควรก็มารบกวนท่านมันทําให้ท่านเสียเวลาเสียเรื่องเสียพิธีของท่านคราวหนึ่งมีแขกมาต้องการพบท่านเจอเด็กวัดก่อนขอให้เด็กวัดช่วยพาขึ้นกุฏิหรือให้ช่วยดูหมาให้หลวงพ่อเห็นเช่นนี้เมื่อแขกกลับท่านจะเรียกคนที่พาแขกขึ้นกุฏิมาพบแล้วจะทําโทษด้วยการตีพร้อมสอนว่าอย่าเที่ยวยุ่งอีก สิทธิเล่าว่าเวลาหลวงพ่อเต้ท่านจะให้นอนคว่ำหน้าเตเรียกว่าหนีไม่พ้นหลบไม่ได้ตีแต่ละทีเจ็บสถานสวงเรียกว่าโดนทีเดียวเข็ดขยะจนวันตายจําไม่ลืมในรถแม่เร็วของหลวงพ่อเรื่องอุปนิสัยส่วนตัวของหลวงพ่อรวบรวมจากการสอบถามเพื่อบันทึกไว้ให้ผู้ที่เคารพศรัทธาได้รับรู้กล่าวสรุปได้พอสังเขตดังนี้เป็นคนใจจริงเด็ดขาดไม่เกรงกลัวอะไรนอกจากมีน้ําใจเป็นที่รักของผู้คนทั่วไป ท่านยังเป็นคนใจจริงแจนักเลงขึ้นชื่อในหมู่ชายหนุ่มในหมู่บ้านไม่มีใครมารังแกขมเหงท่านด้วยความที่ไม่กลัวเกรงผู้ใดแต่ไม่เคยคมเหงรังแกใครทั้งไม่ยอมให้ใครมารังแกเป็นคนรักเพื่อนความเป็นคนจริงของท่านนี้แม้นสิทธิ์ร่วมสานักเดียวกันกับท่านคือหลวงปู่พิมพาธรรมวโรดีเจ้าอา ว, วาสวัดหนองตางูตำบลหนองตางูอำเภอบรรพตพธิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ท่านทั้งสองต่างเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนถือเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันรู้จักกันดีหลวงพ่อพิมพาทั้งกล่าวถึงหลวงพ่อกวยไว้ว่าท่านโกย ก, กับฉันรู้จักกันดีท่านโวยเข้าใจจริงไม่กลัวอะไรบางท่านอาจไม่เข้าใจคำว่าใจจริงหมายความว่าอย่างไรตอบแบบสมัยใหม่หมายความว่าใจถึงเป็นคนใจถึงเจนักเลงกล้าได้กล้าเสียไม่เกรงกลัวอะไร หลวงพ่อกวยท่านเหมือนพระอาจารย์รุ่นเก่าที่สอนศิษย์แบบถึงลูกถึงคนท่านรับได้ทุกแบบมาดีก็ได้มาร้ายก็โดนหลวงพ่อท่านไม่เคยเกรงหน้าอินหน้าพรหมมาจากไหนหากมาทําร่วมร่มในวัดท่านเป็นต้องโดนดีทุกร้ายไปท่านเป็นอาจารย์ที่จัดว่าถึงลูกถึงคนหากไม่มีธุระสาคัญหรือมีความศรัทธาจริงเขาไม่กล้ามารบกวนท่านเลยชอบคนใจจริงใจถึงด้วยความที่หลวงพ่อท่านเป็นคนจริงท่านจึงชอบคนใจเด็ดใจถึงไม่ขี้ขลาดตาขาว โดยเฉพะผู้ชายหากอ่อนแดนี้ท่านไม่ชอบเลยสมัยท่านเป็นอาจารย์ศักด์เมื่อศักิสกเสร็จแล้วท่านมากักลงศิษย์บางคนพอก้มกราบท่านจะฟันด้วยมีทันเทเวลาฟันท่านฟันอย่างแรงบางคนพอกราบลา้าหันหลังจะลงกุฏิท่านซั์ด้วยหอกถึงกับหัวทิ่มตกุฏิก็เคยมีหลวงตารูปหนึ่งจําชื่อไม่ได้อยู่วัดเชิงไหวาบางซื่อพื้นเพเป็นคนสันขบุรีท่านเคยสักกับหลวงพ่อเคยโดนสัตว์ด้วยหอก ท่านว่าพอโดนเกิดตกใจวิ่งหนีหันหลังไม่มองเลยท่านมักชอบทดสอบใจิตใจผู้มาฝากตัวเป็นสิทธ์การที่ท่านชอบเลี้ยงหมาก็ไว้ทดสอบใจิตใจผู้มาเป็นสิทธ์เพราะหากเป็นคนขี้ขลาดกลัวแม้กระทั่งหมาผ่านหมามันไม่ได้ท่านก็ไม่สนใจรับเป็นสิทธ์หลวงพ่อท่านเคยกล่าวกับสิทธิ์ว่าหมามีแต่เขี้ยวมึงยังกลัวแล้วมึงจะไปะสู่ใครเข้าได้นอกจากผู้หญิงคนแก่หรือเด็กท่านจะดูหมาให้ส่วนผู้ชายท่านไม่ดูให้ไม่สนใจเลย และหมาของท่านล้วนแต่ดุและกัดจริงเสียด้วยคนก็เลยกลัวไม่ค่อยมาหาท่านผู้เขียนเคยสอบถามหลวงปู่เย็นวัสะเปรียนท่านเคยเล่าว่าหากท่านไม่มีโทรจําเป็นจริงๆท่านจะไม่มารบกวนหลวงพ่อกลวยเลยพระท่านเกรงหลวงพ่อและกลัวหมาของท่านด้วยทราบว่าสมัยก่อนนั้นสิทธิหลวงพ่อมีอยู่3มแบบหลักๆคือพวกนักเลงคนจริงคนทํามาหาเกฑนกับพวกโลโ ล, ลไม่เต็มบาทพวกนี้ท่านไม่รังเกียจเลย สิทธิชอบทั้งเหนียวทั้งนักเลงมักเป็นสิทธิสักยันบ้างขออาคมและของขลังจากท่านไปหลวงพ่อท่านมีความรักความเมตตาเสมอหน้ากันหมดสิทธิท่านหากเป็นนักเลงขอของไปคุ้มตัวต่อเมื่อถึงเวลาประเดี๋ศึกกลับวิ่งทิ้งเพื่อนฝูงเอาตัวรอดคนประเภทนี้ท่านไม่เอาเลยท่านว่าคนไม่จริงหนีอย่างหมาเสียศักดิ์ศรีเอาของกูไปก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ บุคคลประเภทนี้หากหลวงพ่อท่านรู้ภายหลังต่อไปอย่าหวังมาขอของจากท่านอีกท่านไม่ให้เลยอาจารย์เก่งจริงแต่สิทธิใจไม่จริงก็ป่วยการลูกผู้ชายหากรักทางนักเลงต้องใจจริงส่วนสิทธิธรรมมาหากินท่านจะให้ของทางเจริญลาบค้าขายไปท่านส่งเสริมให้หากินเลี้ยงครอบครัวหลวงพ่อท่านดูจริตดูจิตคนด้วยส่วนพวกโลโลบ้าบาบมบมพวกนี้ดูเหมือนหลวงพ่อท่านจะให้ความเมตตา ม, มาก ที่จำได้มีในปานแกชอบนวดให้พระในวัดเป็นคนพิการทางสมองหลวงพ่อเมตตาลงกระหม่อมให้เคยโดนรถชนหลายครั้งไม่เป็นอะไรเลยในตัวแกไม่มีวัตถุมงคลนอกจากหลวงพ่อเคยลงกระหม่อมให้เท่านั้นผู้เปี่ยมด้วยรักและเมตตาสิทธิ์ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ถือว่ามากประมาณเท่าใดเปรียบแม้นชีวิตก็สามารถสิริละให้ได้อย่างไม่ลังเลเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เปรียบรักแทบฤาษุสุดอันบิดามารดาพึงมีตบุตรในอุทธร ภายนอกหลวงพ่อเป็นคนเคร่งขรึมดุดันผู้คนภายนอกเขาไม่รู้จักท่านแท้จริงมักพากันยำเกรงแต่สิทธิใกล้ชิดทราบดีว่าท่านเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาคราดาสิทธิเกิดเดือดเนื้อร้อนใจตกทุกข์ได้ยากหากมาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เคยผิดหวังสักลายสิทธิของท่านมีหลายประเภทหลากอาชีพคนดีเป็นตำรวจทหารพ่อค้าแม้แต่หญิงงามเมืองคนติดยาคนบ้าวิกลจริตท่านเมตตาเสมอกันทั้งสิ้น ย้ำใดสิทธเกิดปัญหาร้ายแรงหรือติดคุกติดตารางเมื่อหลวงพ่อทราบท่านจะช่วยเหลือสุดความสามารถสิทธท่านบางคนไปฆ่าเขาตายด้วยเหตุสุดวิสัยท่านใช้วิชาช่วยเหลืออนุเคราะห์แล้วให้เข้ามอบตัวร้อยทั้งร้อยหากหลุงพ่อท่านอาบน้ำมนต์ทาพิธีให้แล้วสุดท้ายได้รับการปล่อยตัวพบอิสรภาพแทบทั้งสิน้นหลวงพ่อท่านไม่ออกตัวออกปากท่านมักแอบคอยฟังข่าวสิทธว่าใครไปตกทุกข์เมื่อรู้ท่านจะช่วยทันทีหากช่วยได้โดยไม่ต้องร้องขอ ท่านเคยเข้าไปเยี่ยมศิษฐ์ถึงที่คุมขังสร้างความปราบปลื้มสูงใจกสิทธ์ยิ่งนักว่ากันว่าคราวหนึง่งท่านไปเยี่ยมศิษฐ์ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่สถานีตำรวจเนื่องจากตอนท่านเดินเข้าไปไม่มีใครเห็นท่านครู่หนึ่งมีตำรวจนายหนึ่งเดินไม่เห็นท่านเยี่ยมผู้ต้องขังอยู่ตำรวจในนั้นจึงส่งเสียงเอะอะโวยวายว่าใครปล่อยให้พระเขาไม่เยี่ยมผู้ต้องขังหลวงพ่อท่านคงคืงตำรวจนายนี้ที่ไม่เคารพท่านหลวงพ่อท่านจึงพูดขึ้นว่า กูไม่เยี่ยมสิทธิ์กูเท่านั้นไม่ได้มาทำอะไรให้เสียหายกูขึ้นมาไม่เห็นมีใครห้ามว่าอะไรกูจึงไม่เยี่ยมมันหากกูจะพามานันหนีออกไปจากที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่นี่กูไม่ได้ทำเออะโวยวาย ไ, ไม่เห้เกลีกันบ้างเลยในตำเรือพวกนั้นจึงเงียบเสียงลงหลวงพ่อท่านเสกบุรีส่งให้สิทธิ์พวกนั้นสูบพร้อมกล่าวว่าอีกไม่กี่วันมองใดออกและไม่นานก็ได้ออกมาจริงดังคาท่านกล่าว นี่คือความรักความเมตตาของท่านที่มีต่อสิทธิ์ชอบแจกทานหลวงพ่อท่านยึดถือปฏิบัติในแนวทางพระโพธิสัตว์ทุกปีท่านมักทําพิธีโปรโยทานหรือหว่านทานทุกปีการหว่านทานนี้คาดว่าท่านยึดถือปฏิบัติตามพระเวสสันดรแม้ตัวท่านไม่มีปัจจัยเข้าของมากมายมาแจกเป็นทานแต่หลวงพ่อท่านก็ทําพิธีโปรโยทานสืบเนื่องมาเกือบทุกปีหรือในงานทอดกรถิ่นพระปราต่างๆท่านก็มักทําพิธีโปรโยทานเช่นกัน โดยท่านนําของประทานใส่ลงรวมกันในบาทของประทานของท่านมีพวกข้าวสารอาหารแห้งสตังและอื่นๆมากมายในสมัยแรกยังยากจนขาดแคลนท่านเองมีทุนไม่มากหลวงพ่อท่านนําลูกแก้วมาเสกแจกทานก็เคยมีบางคราวเป็นพวกวัตถุมงคลต่างๆนํามาแจากเป็นทานให้ลูกหลานไปคุ้มตัวหลวงพ่อท่านเป็นพระบ้านนอกจนจนมีแต่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีเรียกว่ามีแต่ใจให้ล้นล้วน ขอเพียงเสร็จมีความสุขสบายเป็นพอเหมือนพ่อแม่ยอมลำบากขอเพียงให้ลูกสบายนี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อท่านมีต่อสิทธิของท่านชอบสร้างวัตถุมงคลช่วงเวลาเกินกว่าครึ่งค้อชีวิตของการครองเพศสมณะของท่านหมดไปกับการสร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลหลากหลายรูปแบบคลายท่านทราบเหตุการณ์ภายหน้าต่อไปว่าผู้คนต่างจะส่อหาวัตถุมงคลของท่านผู้คนจากเหนือจะลดใต้ต่างให้ความเคารพท่านมากมาย สมัยก่อนใครทุกข์ร้อนมาขอวัตถุมงคลท่านให้เขาปเปล่าๆไม่สนใจต้นทุนที่จัดทํามาท่านเมตตาจริงๆความเหนื่อยยากของตัวเองท่านไม่เคยสนใจครั้งหนึ่งมีสิทธิ์ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสร้างพระยะแยะเพื่ออะไรในเมื่อพระรุ่นเก่ายังมีอยู่มากพระรุ่นใหม่ท่านก็สร้างไม่หยุดวันทั้งวันท่านก้มหน้าสร้างพระเสกพระไม่เคยหยุดพักหลวงพ่อทําพระมากมายนี้ไปเพื่ออะไรเป็นพระสิทธิ์หรือว่ากลางคืนท่านก็ไม่เคยได้จําวัดหลับนอน อาหารท่านก็ฉันเพียงวันละมือ้อแถมยังฉันน้อยร่างกายท่านาผ่ายผอมตรักตราสิทธิ์เกิดสงสารท่านจับใจหลวงพ่อท่านพูดกับสิทธิ์ว่าของที่กูสร้วันนี้มากม้แค่ไหนก็ไม่พอต่อไปพระของกูจะมีคาอย่างประทองมึงคอยดูท่านกล่าวเช่นนี้แสดงว่าท่านรู้การล่วงหน้าแน่นอนอีกครั้งหนึ่งมีหมอดูมาจากไหนไม่ทราบหมอดูคนนี้มานั่งดูหมอไทายทักอยู่ใ้ถุนศาลา พ่อท่านเดินผ่านมาหมอดูจึงขอดูลายมือท่านหมอดูพิจารณาลายมือและพูดขึ้นว่าหลวงพ่อท่านมีลูกหลานมากเหลือเกินผู้คนที่นั่งฟังอยู่ในเวลานั้นต่างแย้งว่าหลวงพ่อท่านเบื่อมาตั้งแต่ยังหนุ่มท่านจะมีลูกหลานมากมายได้อย่างไรแล้วพากันหัวเราะกบขันในคําทํานายหลวงพ่อท่านยังนั่งฟังหมอดูนิ่งเฉยไม่ว่าอะไรท่านกล่าวขึ้นเพียงว่ามันดูแมนแล้วท่านก็ลุกเดินไปอย่างเงียบเฉย แล้วอีกคราวหนึ่งอาจารย์สำรวยถามท่านว่าทําไมท่านจึงไม่สร้างวัดเจริญสวยงามเหมือนวัดอื่นเขาบ้างหลวงพ่อท่านกล่าวว่าไม่ต้องสร้างหรอกทําแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปภายหน้าเดี๋ยวลูกหลานท่านเขาจะมาสร้างเองแล้วก็เป็นจริงดังคําท่านทุกประการเห็นได้ว่าทุกวันนี้วัดของท่านเจริญมากโดยไม่ต้องไปเรียรายใครลูกศิษย์ลูกหาท่านกรมเกลียวสามเณรได้ช่วยสร้างความเจริญแก่วัดท่านมากมายน่าชื่นชมแสดงว่าหลวงพ่อท่านทราบการล่วงหน้าว่า ต่อไปจะมีเหล่าพุทธบริษัทผู้เคารวบท่านเกิดขึ้นมากมายทั้งให้ความเคารวบท่านรักท่านดุจบิดาหรือญาติผู้ใหญ่ดังเช่นทุกวันนี้ท่านจึงเร่งสร้างวตัตถุมงคลเพื่อคอยลูกหลานในการเบื้องหน้าดังนี้ไม่ชอบนักเลงสุราและพวกไม่มีสัมมาคารวะหลวงพ่อท่านไม่สนใจว่าใครมาจากไหนหากมาเอะอะโวยวายบวกเวกไม่เกรงใจในวัดของท่านท่านมักจัดการจนเข็ดหลาบทุกร้ายไปไม่มียกเว้นคราวหนึ่งท่านกำลังสักให้สิทธิ์อยู่ สมัยท่านยังหนุ่มแข็งแรงเป็นอาจารย์ศักดิ์มีชื่อเสียงพอควรผู้คนจากที่ไกลๆมารับการสักยันจากท่านไม่น้อยว่ากันว่าบางคราวท่านต้องศักด์ทั้งกลางวันกลางคืนมีหยุดพักฉันแพตตาหานทํากิจส่วนตัวบ้างพอควรแล้วจึงกลับมาลงเข็มสักต่อไปจนดึกดื่นสมัยแรกท่านศักด์เองเสกเอ ง, เองทั้งหมดการถือเข็มสัก์เป็นเวลานานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากไม่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจริงยากจะทําได้คืนวันหนึง่งขณะที่ท่านลงเข็มสักดอยู่ มีชายขี้เมาคนนึงอยู่แถวแถ ว, วัดเมือม่อเมาได้ที่เดินเข้ามาในวัดเดินไม่เดินเปล่าปากร้องเสียงเป๊ะเป๊ะป๊ดังมาตลอดทางจนมานั่งส่งเสียงดังอย่างไม่เกรงใจใต้คติหลวงพ่อคราวแรกท่านให้สิทธิ์เดินลงไปเตือนให้เงียบเสียงเข้าใจว่าคนมากท่านคงยังเกรงใจพอสิทธิ์ลงไปเตือนเงียบไปพักนึงเดี๋ยวเดี๋ยวชายขี้เมาส่งเสียงขึ้นอีกว่าไปคลายท้าทายไม่สนใจคำเตือนแกคุณอยากลองของดีของหลวงพ่อกลวยอย่างที่เขาว่ากันว่า คนเรานี้มันแปลกพอลองเมาได้ที่แม้เจอช้างเจอเสือมันยังไม่กลัวด้วยฤทธิสุราใช้ขี้เมาก็าคงลืมนึกไปว่าที่ที่นั่งอยู่นั้นเป็นใต้กุฏิหลวงพ่อครู่หนึ่งหลวงพ่อท่านสักยันไปหยุดไปคลายท่านพยายามช่างใจคิดพักเดียวท่านวางเข็มสักลงไม่พูดว่ากระไรท่านหมุนสะบงเนบขึ้นแบบจงกระเบนดูธรรมะถมแงคราวนี้ท่านเดินไปคว้าไม้แต่โพสที่พิงอยู่ข้างฝากุฏิเสร็จแล้วท่านเดินถือไม้แต่พส ด, ดุมดุมลงไปใต้ถุนกุฏิ แทนคําพูดสั่งสอนให้มากความท่านหวดไม้ตะพดหลงบนร่างชายขี้เมาครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ายทีขวาทีบนบ้างล่างบ้างสลับไปมาพลวันคราวนี้ชายขี้เมาแกถึงกับสั่งเมาสติสตังฝืนคืนกลับมาทันทีรู้ตัวว่าตอนอยู่ผิดที่ผิดเวลาเสียแล้วจากปากที่เคยส่งเสียงร้องโวกเวกยามนี้เปลี่ยนเป็นร้องหหยหวนว่าโอ้อยอ้ยหลวงพอ่อหลวงพ่อครับผมยอมแล้วผมไปแล้วไม่มาแล้วเข็ดแล้วยอมแล้ว หลวงพ่อท่านยังไม่ยั้งมือคงหดหม้าแต่พลดลงบนร่างกายขี้เมาไม่เห็นว่าหลวงพ่อไม่หยุดมือยังคงเตคราวนี้ชายขีเมาพอแกตั้งหลักได้แกวิ่งจําเอาไม่คิดชีวิตปากก็ร้องว่ายอมแล้วหลวงพ่อผมยอมแล้วแกวิ่งหายออกจากวัดไปแต่นั้นมาหากชายขีเมาผู้นี้เข้ามาในวัดคราวใดเมื่อแกเหลือเพ็นหลวงพ่อเดินมาเท่านั้นแกหายเมาทันทีลุกขึ้นเดินตัวตรงหนี่หลวงพ่อไปทันทีเรียกว่าหายเมาเป็นปลิดทิ้ง แสดงว่าตะพธของหลวงพ่อขลังนักสามารถใช้แก้อาการเมาดิบเมาค้างของนังเหลงสุราได้เด็ดขาดนักเป็นการกำราบคนไม่มีสัมมาคาระวะแม้บางคราวสิทธิมาเรียกท่านแบบไม่เกรงใจคือยังไม่ถึงเวลาท่านลงมารับแขกเรียกเร่งท่านหลวงพ่อท่านหญิงด้วยขันกระสุนจนหัวโหนก็เคยมีเขาจึงว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระดุหญิงสิทธิ์ด้วยขันกระสุนที่เขาลือว่าท่านแปลกท่านดุเพราะเขาไม่รู้จักใจท่าน หากคนมาดีท่านก็ต้อนรับช่วยเหลือด้วยเมตตาทั้งสิ้นหากใครมาแบบไม่มีสัมมาคารวะท่านมักจัดการตามแบบฉบับของท่านครับผมขออนุญาตจบลงก่อนครับแล้วค่อยมาตามกันต่อครับยังมีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับหลวงพ่อกวยอีกมากมายครับที่คนขลังคลังวิชาของคุณไตรพนนากสมบูรณ์ได้บันทึกไว้ในหนังสือปกแดงเรื่องเล่าข่าวปฏิหารตํานานวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยจุตินเทโรแห่งวัดโคศิตตารามซึ่งผมจะทยอยนำมาถ่ายทอดให้ฟังกันครับ